ไปนั่งอยู่กับหลวงปูธธ่เทศว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะสงสัยชีวิตจะมีความทุกข์มากร้องไห้นะร้องโหโหโหมามาหาหลวงปู่หลวงปู่ทาไมหนูต้องเกิดมาเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ทําไมหนูต้องเกิดมาเนี่ยซ้ำอีกหลวงปู่บอกเพราะไม่รู้หลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้แบบนี้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 บางคนฟังครั้งเดียวสองครั้งบางคนงปฏิบัติตามดูจิตดูใจสักเดือนหนึ่งบางคนแค่ฟังซนะีดีนั้นแล้วก็คอยสังเกตจิตใ จ, จตัวเองไปเรื่อยเข้ามาบอกหลวงพ่อเรื่อยเลยว่าจิตใจของเขาเปลี่ยนไปเคยมีความทุกข์มากก็ทุกน้อยนะเคยทุกนานนานก็ทุกสั้นสั้นเนี่ยหลวงพ่อมีพยานเยอะนะว่าปฏิบัติทำแล้วมันพ้นทุกข์จริงๆ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 อยากรู้สึกตัวให้เป็นก็ต้องรู้ก่อนว่ารู้สึกตัวที่ไม่เป็นและเป็นยังไงนะเรียนที่สิ่งที่ผิดซะเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นจะถูกเองหลายคนพยายามจะทําความรู้สึกตัวนะเช่นหายใจก็ไปกําหนดลมหายใจกลัวว่าจะเผลอไปให้มันรู้ลมหายใจตลอดเวลาไปดูท้องพองยุบนะก็อเอาสติกําหนดอยู่ที่ท้องจะไม่ให้ลืมตัวเลยนะกะว่าจะให้สติเกิดตลอดเวลานะหรือเดินจงกรมยกเทา้ายั่งเท้าเพ่ง้อยไว้นะไม่ให้เคลื่อนเลย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 หรือแม่กำลังโกรธและวแน่อยากบ่นละเด็กมันชักรู้มากพ่อแม่ก็ปลื้มนะลูกมันเก่งวันหนึ่งนะเด็กมันก็ฟังซีดีไปเรื่อยๆมันก็บอกพ่อพ่อพ่อหลวงพ่อประมว่นเนี่ยบอกสภาวะจริงๆทั้งนั้นเลยนะมันเห็นอย่างนั้นเห็นเห็นซื่อๆสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยจริงๆทั้งนั้นนะไม่ได้หลอกเลยสักนิดเดียว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 แต่บางประเภทไม่หายนะถ้าปรประเภทที่เกิดจากร่างกายผิดปกติไม่หายอะ่ะพวกนี้พวกนี้เป็นกรรมแล้วช่วยไม่ได้แล้วแต่ใครญาติญาติบ้าอย่าพามาหาหลวงพ่อนะแก่คนบ้าคนหนึ่งนี่ยากกว่าสอนคนดียี่สิบคนอกีกอ้าวมีไหมวันนี้มีใครจะถามเปล่าไม่มีจะได้เลิก น, นมัสการค่ะ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 ทือท่อๆรู้รู้สึกไหมทือท่อๆไปข่มไหมตื่นเต้ น, นตื่นเต้นแล้วก็กดเอาไว้นะแล้วก็ฟุง้งซ่านหน่อยๆรู้สึกไหมใจวิ่งยุกยุกยุยุกยุกดูออกเป่าเนี่ยหลงไปอีกแล้วเห็นไหมไหลสงสัยทราบไหมเอออ๋อแล้วเ <laughs> นี่ยหัดรู้สภาวะทาไมหลวงพ่อพาให้ดูอย่างนี้หลวงพ่อพาให้ดูสภาวะนะถ้าเมื่อใดดูสภาวะได้แล้วเราปฏิบัติได้ด้วยตนเองเมื่อนั้นเลย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 ตอนกางคืนผมมีอาการที่ว่านอนแล้วประมาณสัก4ี่ชั่วโมงห้ชั่วโมงเนี่ยนะฮะและ้วกาคืนก็จะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าเราพักผ่อนพอแล้วฮะอันนี้มันมันผิดปกติจากปกติน่ากปกติปกตินอนสี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละคราวนี้เวลาที่มันเหลือแล้วฮะจากตีสามถึงตีห้าหกโมงเนี่ยครับผ ม, มถ้าไม่กวนคนอื่นนะก็ลุกขึ้นมาภาวนาปฏิบัติอย่างนี้ได้นะฮะ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 ออกมากระทบโลกร้ายกว่าเก่ารู้สึกไหมตอนเนี้มันไม่ค่อยยำรู้กายรู้ใจว่าเป็นไตรลักษณ์หรอกต้องเดิน <S 2> <S 2> ปัญญานะถึงจะใช้ได้เลยสงสยัยว่าทําไมปีที่แล้วถึงกับไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติแต่ก็ฟังซีดีอะไรไปนนเรื่อยๆกีได้ปฏิบัติจริงๆละ่ะเวลาที่เรามีปัญหาชีวิตนะหรือมีปัญหาอะไรมากๆเนี่ยเราคอยดูเพราะเราไม่รู้จะทํำยังไงเราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองนั่นแหละเราปฏิบัติมาก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 เป็นภาระที่มากเกินนะก็คือในช่วงแรกอาจจะบริกรรมเพื่อให้จิตมีสมาธิแล้วพอหลังจากนั้นนั่นแหละบริกร<ม>กรเป็นสมถะได้นะบริกรมม ร, กรมแล้วก็ไปรู้สภาวะนะค่ะกลาขอบพระคุณกลาวนามสการของหลวงพ่อกล่าวนสการค่นน ะ, คะขณะที่ฟังเทศเมอตะกี น, นะคะข้างในมีคนรู้สึกสบายความรู้ก็ไปรู้ว่าสบายแต่ขณะที่ฟังท่านตอบปัญหานะคะ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 ไล่อย่าไปพูดนะรู้ทันว่ามันมาแล้วเ อ, อเดี๋ยวไปพูดธรรม ะ, ะ, ะช่วงนี้เว้นการพูดธรรมะไปเพราะถ้าเราพูดธรรมะแล้วใจจะฟรระุ้งซ่านเหมือนช่วงหนึ่งหลวงพ่อกินารีนั้นท่านสั่งหลวงพ่อชาบอกชาตอนนี้อย่าเทศนะเทศเราฟุ้งซ่านของคุณตอนนี้ใจมันจะฟุ้งในธรรมะน ะ, ะแล้วรู้สึกไหมมันเกิดมานะอัตตาด้วยใช่ค่ะมันมีกูเก่งขึ้นมาแล้วกูรู้เยอะ แต่เ <c oughs> น, นี่ยต้องรู้ทันมันนะไ <c oughs> ม่งั้นการภาวนาของเราจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลส ท, ทั้งหมดเลย <c oughs> ยิ่งภาวนากูยิ่งเก่งแต่ที่จะไม่มีกูค่ะไปดูเอานะพอละถามพอละถ้าในอีนนี้นึค่ะ<ม>คือความรู้นะเกิดขึ้นปัจจุบันขนาดนั้นแล้วก็ดับลงปัจจุบันขนาดนั้นทิ้งไปให้หมดไม่เอา <c oughs> ของคุณยังไม่ยอมทิ้งนะยังอะไรอาวอ์มันต <c oughs> ิดไปเอาปัจจุบันคต้องทิ้งนะไม่งั้นของคุณจะไปติดในตัวความรู้แล้วก็อยากพูดอยากพูดธรรมะอยากเผยแพร่อะไรย่างเงี้ย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 ผมกนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยนี่เรามีอยู่แล้วเราคอรู้สึกอยู่ในร่างกายนะร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกไว้แล้วที่ที่ผมปฏิบัติโดยการดูจิตตามซีดีของพอาจารย์นะไม่ไม่ทราบว่าเออขณะนี้นของคุณดูออกไหมล่ะ ว, ว่าใจคุณไม่เหมือนเดิมครับผมนะใจคุณมันเปลี่ยนแล้วนะมันโล่งว่างขึ้นมามันใช้ได้แล้วครับผมนะของคุณรู้กายไปด้วยนะครับยทิ้งกายครับอาจารย์หมดแล้วรอบน้สกั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 โอถ้าเผลอคิดดูได้นะก็วิเศษที่สุดแล้วเพราะเผลอคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดในแต่ละวันหลวงพ่อพาให้ดูเผลอคิดไหมเนี่ยไปละเห็นไหมไม่ไม่ทราบเลยฮะฮะไม่ทราบอ้าวไม่ทราบเหรอนึนกว่าดูเผลอคิด <laughs> <laughs> จะดูอะไรแนะ่ตกลงอยากดูอะไรใจดีนะเนี่ยอยากดูอะไร <laughs> <laughs> ไม่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเหมือนกัน จริงๆนะไม่ได้ทำอะไรหรอกอย่าคอยรู้สึกถึงร่างกายเอรู้สึกถึงใจของเราเรื่อยๆร่างกายเราเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็พยักหน้าเดี๋ยวก็รู้สึกขึ้นมาแล้วจิตใจก็ททำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วิ่งไปคิด <assim. S 1> ใช่ไหมคิดไปแล้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุณคอยรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไปก็ได้นะเนี่ยใจตอนนี้มันมีปีติรู้สึกหมไม่ค่อยรู้สึกฮะ านะไม่รู้สึกนะทั้งนั้นต้องรู้สึกกายไปนั่นแหละนาะพยักหน้าแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้พยักหน้าอ๋อรู้สึกนครับนั่นแหละดูกายไปที่หลวงพ่อบอกทีแรกแล้วว่าของคุณนะ่ต้องดูกายนะคุณบอกว่าคุณจะมาดูจิตที่ไปคิดดูกายไปนะหมอกับจริตคุณครับขอบคุณมากเห็นไหมใจดีนะอยากดูอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ตรง ก, กับจริตทายากฝึกกรรมฐานต้องให้ตรงกับจริตของเรา ของคุณทำสมถะด้วยนะที่ทำสมถะทำอยู่เดิมนั้นมันเป็นสมถะแล้วแล้วคุณคอยรู้ร่างกายเนี่ยเมื่อกี้กับ ต, ตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วจิตใจรู้สึกไหมตอนที่วางไม้ไว้แล้วหลวงพ่อไม่ได้คุยด้วยตรงนั้นอนะโล่งเลยตรงนั้นอะคือจิตที่รู้สึกตัวแต่ตอนนี้เป็นจิตที่เพ่งเอาไว้ะนะจะทือๆนะแต่ถ้าปล่อยเป็นธรรมชาติเลยมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะมีอีกไหมในวัสการหลวงพ่อค่ะ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 ไม่ทราบว่าหนูรู้ตัวเป็นไหมคะอะไรนะหนูอะไรนะรู้ตัวเป็นไหมคะเป็นสิดูไปแค่แหละดีแล้วมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงเขรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมเขาก็ไม่ต้าหลวงพ่อช่วยนําหนูดูสภาวะจิตสักสองสามนาทีเอาสองสามนาทีก็แล้วสามวินาทีค่ะเพื่อเป็นการบ้านตอนนี้หลงอยู่หลงไปคิดแล้วค่ะ มารอฟังแล้วรู้สึกไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องแล้วนะไปดูเอาเองพอจะดูได้แล้วได้นะคะ <Yeah. S 2> กลับขอบพระคุณค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ใจหนูผิดปกติแล้วก็กายก็ผิดปกติ อ, อยากอยากขอส่งกันบ้านหลวงพ่อว่าหนูมีหนูปฏิบัติแล้ว <c oughs> พอใช้ได้แล้วนะเร า, เรามีอะไ ร, รต่อรู<ก>้ของเราไปแย้งและ ห น, หนูมีสองข้อที่อยากทามหลวงพ่อค่ะตอนนั้นหนูชอบเดินสวดมนต์ช อ, อนะชอบเดินสวดมนต์<อ>ค่ะแต่ว่าพอเดินเสร็จหนูก็เดินไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยปากก็สวดมนต์สมองก็คิดอืแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีรู้ความรู้สึกรู้ตัวขึ้นมาอแล้วหนูก็ตกใจมากเอ้ยทําไมเราปากก็พูดขาก็เดินสมองอยังคิดอีก เ, เนั่นแหละมันทําด้วยไขสันหลังมัน ชัดเจนไหมมันทํางานของมันเองใช่มันหลายอย่างมาก อ, อมันทําของมันเองเรามีหน้าที่แค่รู้ไปเรื่อยรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่เราเลยค่ะแล้วเห็นรู้ดูอ๋อยังว่าที่ทําอยู่นั้นหลงตลอดเลยใช่หไหมขนาดที่เดินจงกรมสวดมนต์อยู่นั้นยังหลงเลยเห็นไหมค่ะพอเราเกิดรู้ทันนะั้นมันตื่นขึ้นมาตกใจเลยว่าจริงๆหลงอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอก อ, อาศัยได้ฟังธรรมนะถึงได้ตื่นขึ้นมา เรตื่นขึ้นมาแล้วก็สามารถรู้กายตามความเป็นจริงนะเขรู้จริงแล้วก็จะเริ่มเบื่อเบื่อแล้วก็คลายความยึดถือคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็มีความสุข อ, อ, อมีอีกข้อหนึ่งค่ะคือหนูจะรู้สึกตัวบ่อยมากตอนที่หนูเมื่ อ, อคือพอเหมื่อทีไรแป๊บหนึ่งก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาอดีอย่างตอนที่ร้องแป๊บหนึ่งก็หลงไปรู้สึกไหม <laughs> อินเนี่ยมันเ <laughs> yeah. ค่ะแต่ว่ามันความเหม่อมันไม่ได้ขาดไปเลยทีเดียวมันก็ยังชิ่งชิ่งอยู่นิดนึงอะคะ่ะ ม, มันไม่หายหรอกมันต้องหลงไปเรื่อยๆหลงกแล้วรู้หลงก็แล้วรู้ เ, เราไม่ใช่พระราหารยังไงก็ต้องหลงขอบคุณค่ะเชิญเชิญยมครับขออนุโมทนา ก, การหลวงพ่อเนียนเคยปฏิบัติ ข, ของอาจารย์โกอินกามานะคะแล้วก็อยากจะมาเริ่มต้นของอาจารย์ก็เลย สนใจมาก็ฟังซีดีมาแต่ยังเริ่มต้นไม่ค่อยจะถูกก็ฝึกอยาก่ยอ า, ายงท่านโคเอนก้าก็ฝึกต่อไปได้ไม่ได้ขัดอะไรกันนะจริงๆแล้วกรรมาฐานนะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันใครเคยฝึกอะไรนะที่เป็นความรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในี่ใช้ได้อย่างของท่านโคเอนก้าก็ทำความสงบเข้ามาเลยไหมแล้วมารู้เวทนา<ค>แล้วก็ทำต่อไป แต่เราเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเนะีย่ยตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมนะยมไม่ต้องไม่ต้องฝึกดูจิตก็ได้นะฝึกดูกายดูเวทนาก็ได้แล้วแล้วเราจะปฏิบัติยังไงกันตอนเช้าที่เราปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เย็นปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงที่เราทำแบบอาจารย์<จ>กี่กี่ชั่วโมงไม่ไม่สคัญนะสาคัญ<ะ>ที่ว่าเราปฏิบัติอย่างไรก็ <c oughs>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 แต่ถ้าบางคนไปภาวนานะพอปวดพอเมื่อยขึ้นมาก็ไปนั่งทนดูไปพอทนทนไปครบเวลาได้ก็ภูมิใจนะว่าวันนี้เก่งวันนี้เราข้ามเวทนาได้หรือบางทีปวดอยู่นะนั่งดูมันไปจนหายปวดเลยแล้วภูมิใจขึ้นมาว่ากูเก่งนะกูชนะเวทนาอย่างนี้ภาวนาผิดอะภาวนาแล้วเห็นว่ากูเก่งขึ้นมา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 นะหลวงพ่อเคยรู้จักคนคนหนึ่งนะเขาภาวนาเขาดูเวทนาเงี้ยแล้วทนนะนั่งอยู่หลายชั่วโมงทนทนท น, ทนวันหนึ่งก็ปิ้งขึ้นมาเลยนะว่าตัวเราไม่มีหรอกนะั้นดูเวทนาก็ได้แต่ต้องดูให้เป็นแล้วระหว่างวันหรอคะถ้าเราเราทำแบบอาจารย์นี่เขาทำเช้าเย็น แลระหว่างวันเราควจะทํำยังไงระห ว, ว่างวันเราก็ดูไปเอย่าไปเว้นวักนะถ้าเราจะดูเวทนานเวทนามีทั้งวันเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะตอนนั่งเพรา้นตอนเรากวาดบ้านถูบ้านเวทนาก็มีนี่ตอนเราซักผ้าเวทนาก็มีการปฏิบัติเนี่ยจะได้ผลดีถ้าเราไม่เว้นวักนะถ้าเราบอกว่าเช้าปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเลิกเลยแล้วเย็นไปปฏิบัติอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งปฏิบัติสองชั่วโมงเองอีกยี่สบสองชั่วโมงนะกิเลสครอบงําะฉะนั้นเราพยายามรู้สึกตัวอยู่ อย่างพอเรานั่งได้หนึ่งชั่วโมงเรารุกขึ้นมาเรารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนั่งได้ครบแล้วดีใจดีใจรู้ว่าดีใจไปเลยไปทำงานนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันการภาวนาต้องไม่เว้นวักเลยนะถึงจะได้ผลถ้าเว้นวักแนละ้วก็ไม่ได้หรอกก็ขอพระคุณอาจารย์มีอีกไหมมีอีกไหมยังไม่หมดเวลา หลักนมาสการค่ะช่วงนี้เนี่ยรู้สภาวะจิตรู้สภาวะอย่างไม่เป็นแกลาง ต, <ม>ติดจะตั้งใจอย่างนี้แบบนักร้องอะติดจิตติดจะยินร้ายมากกว่านะคะแล้วก็ช่วงนี้จะค่อนข้างโกรธแล้วก็พานแล้วก็หงุดหงิดยมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกแต่ตือศีลห้าไว้น ะ, ะจะโกรธจะหงุดหงิดก็ไม่ด่าใครคแล้วช่วงนี้รู้สึกว่า เมื่อดูเข้าไปข้างในเนี่ยเหมือนกับว่าจิตเนี่ยไม่เบิกบานตเต็มที่เหมือนกับว่าจิตมันดิน้นเหมือนกับว่ามีอะไรครอบจิตอยู่นะคะเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ถูกต้องนะตอนนี้มันนุม่นมๆไปไหน่อยมันโดนกิเลสรัสดจนมันนุ่มอยู่รู้อย่างนี้ถูกถูก้ไปเรื่อยเลยใช่ไหมคะใจถึงถึงนะไม่ดีก็ได้ใจถึงถึงไว้เมื่อเมื่อก่อนจิตติดสงบแต่ว่าพอช่วงนี้ทําสมาธิแล้วไม่สงบเออไม่ต้องก็ได้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 รู้สึกอย่างนี้ยรู้สึกไหมตรงฤทธิที่รู้ว่าใจหนีไปนะั้นมันเบิกบานขึ้นมาแบบหนึ่งนั่นะใจมันตื่นขึ้นมามันรู้ตื่นตอนเนี้ใจมันนิ่งๆทื่อๆขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมนะเพราะอะไรเพราะหนีไปจิตรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะที่รู้อยู่ใช้ได้ล้ค่ะแล้วเดิมทีหนูเคยฟังศีดีพระอาจารย์ตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงทุกวันนะคะพอตอนหลังมามากลัวภัยพิบัตินะคะก็ทิ้งซีดีพระอาจารย์มาตามข่าวสารนะคะ<อ>มันก็เลยเสื่อมไป Oh. แล้วเราควรจะไม่ประมาทด้วยการติดตามฟังข่าวสารแล้วก็ป้องกันเตรียมการไว้ต้อนรับระบายรับภัยพิบัติหรื อ, อว่า เ, เราควรเตรียมสินะเราก็ต้องรู้ข่าวสารอย่างเราสมมติเราทําธุรกิจเราก็ต้องรู้ข่าวสารใช่ไหมเราทำอะไรก็ต้องมีข่าวสารทั้งนั้นแหละแต่ว่าเรามีข่าวสารแล้วพอข่าวสารมากระทบใจเราเนี่ยเรากางังวลตรงนี้แหละธรรมะจะช่วยเราให้รู้ว่ากางังวลธรรมะไม่ได้ฝึกแล้วปิดหูปิดตาตัวเองนะไม่รู้โลกข้างนอกไม่ใช่ เราอยู่กับโลกเราต้องเข้าใจโลกแต่ว่าพอโลกมากระทบแล้วเนี่ยต้องไม่กระเถือนใจเราเศร้ามองขึ้นมาเราคอยรู้ทันเราก็จะมีความสุขอยู่นะอยู่กับโลกที่เน่าๆอย่างนี้แหละมีความสุขทีนี้น้องข้างๆเขาขวากถามว่าเวลาตอนกำลังโกรธกับรู้สึกโกรธต่างกันยังไงอะไรนะนกาลังโกรธเขาเขาแยกคาถามเดียวค่ะอาจารย์คือว่าถ้าเรารู้สึกตัวว่า ตอนนี้โกรธกับตอนที่กําลังโกรธเนี่ยอยากทราบ ว, ว่ามันต่างกันไหมคะตรงที่รู้ว่าโกรธเนี่ยนะมันจะไม่โกรธแล้วในขณะนั้นถ้ารู้จริงๆนะ <c oughs> ถ้ารู้ไปโกรธไปนะี่ยังไม่รู้จริงหรอกใจไม่ตั้งมั่น <c oughs> ตอนนี้ใจใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกคะ่ะที่ฝึกอยู่นะ่ะใช้ได้แล้วอย่าคิดมากดูไปเลยค่ะค <c oughs> ่ะขอบพระคุณคะ่ะกราบนมสการหลวงพ่อคะ่ะดิฉัน ครูนะคะแล้วก็ปฏิบัติมาหลายอย่างเหมือนกันค่ะตอนนี้เพิ่งสองสามเดือนนี่ก็มีเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะคะได้เอาหนังสือแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตให้ดูก็เลยได้ฟังมาตั้งแต่นั้นมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะและตอนนี้ก็ได้แผ่นแล้วก็มานอนฟังตอนนี้รู้สึกว่าจะขังใครเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะยัง ไม่ทราบว่าจะดูตัวเองถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันปฏิบัติมาหลายอย่างทั้งขของของงดูมันติด น, น, นิ่งมากไปนิด น, นึงใจมันนิ่งเกินไปอย่าไปบังคับมันไว้นะมีความรู้สึกเช่นนั้นค่ะเหมือนประคองก็บังคับไป <ว S 1> ต้องเลิกไ ป, ไปนะเนะี่ยพวกเราน่าสงสารมากเลยเราอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์นะเราก็ไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาโดยการไปเพ่งเอาไว้ไปบังคับไว้ไปประคองไว้นั่นเป็นภพเป็นชาติทั้งสิ้นก็สร้างทุกข์ขึ้นมานั่นเอง แทนที่เราจะอยากพ้นทุกข์เราก็รู้ทันจิตที่ปรุงแต่งมันเลิกปรุงแต่งไปเองมันก็ไม่ทุกข์ละแล้วกลับไปปรุงแต่งไปปรุงการปฏิบัติขึ้นม า, าใจแอบไปคิดทราบไหมของโยมมันจะไม่ค่อยเห็นใจรักละเพราะอะไรเพราะมันนิ่งถ้าเมื่อไหร่มันนิ่งน้ําจะไม่เห็นใจรักเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าฝึกก็ฝึกฝึกสติปัฏฐานแบบดูใจรักว่ากายนี้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 จะเห็นเป็นรูปเป็นน้ำอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเห็นธาตุจริงๆนะธาตุกรรมฐานไม่ได้เกิดจากการคิดเอาธาตุเนี่ยเกิดจากเราเข้าไปประจักษ์ไปรู้ไปเห็นความจริงของตัวธาตุธาตุดินน้ำไฟลมมีสตัวนี้ธาตุดินรู้ด้วยกายธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุลมธาตุไฟรู้ด้วยกายเพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยถูสบู่อยู่ขัดตัวอยู่เนี่ยแล้วรู้สึกถึงความเป็นท่อนไม้เหมือนเป็นท่อนๆ เป็นก้อนดินเป็นก้อนอะไรแข็งๆบางท่อนแข็งบางส่วนนิ่มหน่อยนี่คือธาตุดินรู้ด้วยกายนะเพราะเราเรียนธาตุกรรมฐานเราต้องรู้เลยว่าธาตุชนิดไหนรู้ด้วยอะไรธาตุไม่ได้รู้ด้วยการคิดนะอย่างเราดูานี่เป็นก้อนธาตุเป็นก้อนดินอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานค่ะพอดี ฝึกมาเมื่อไวัยนี่เองค่ะตอนวันแม่เนี่ยห้าวันก็เลยได้ติดมาแนบเลยค่ะบอกว่ารู้สึกจะเป็นการคิดวันนี้ก็เลยขออธิษฐานหลวงพ่อบอกว่าขอให้ลูกได้ถามเพอะเม hmm. ื่อกี้ก็หมดคิวไปแล้วจะค่ะพิธีก็มีบุญได้ถามแล้วจะค่ะนะอ่ะมีอีกขอบพระคุณค่ะ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 นะมัวรั้วมัวหมายถึงว่าตอนเรานั่งสมาธินั่งพักผ่อนไปก็ได้นะแต่อพอออกมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ทันสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นนะอย่างปัจจุบันเนี่ยใจมันมัวนิดห น, น่อยเรารู้นะมันฟุ้งซ่านเรารู้อะไรอย่างเงี้ยผมใช้ได้นะฝึก <ทำ S 1> แต่อยเาไปไ ป, ประคองให้นิ่งนะติดนิ่งมากไปหน่อยน้ำมศกรารหลวงพ่อคะ่ะหนูนั่งภาวนาะรู้กายรู้ใจแล้วก็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 อิชิตังปฏิตังทุมหังชิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปจันโทพนารโสยถ า, ามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรคโควินัสตูมาเตภวั ต, ว, ตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภาวะอาภิวาธนาศิลิสนิจังุทธาปัจายโนจัตตารโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง ไปทานะทํานะอย่าเว้นวักนะหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยไม่เคยเว้นเลยนะไม่ต้องให้อาจารย์จำจี้จำชัยนะ